วันนี้มีท่านผู้หนึ่งอยากจะให้พูดว่าวิธีแก้จิตเสื่อมแก้อย่างไรก่อนจะแก้จิตเสื่อมได้ก็ต้องทําจิตให้มันเจริญก่อนถ้าจิตมันไม่เจริญมันก็เสื่อมไม่ได้งั้นตอนนี้ดูว่าจิตเรามันจเจริญหรือยังถ้ามันยังไม่เจริญจะไปแก้ให้มันไม่เสื่อม ม, มันจะแก้ตรงไหนจิตเจริญเป็นยังไงจิตเจริญก็จิตที่มีความสงบมีความสุขในตัวเองเรียกว่าจิตเจริญที่มันก็มีเจริญได้ในหลายระดับเจริญในระดับทานเจริญในระดับศีลเจริญในระดับ ส, บสมาธิ เริญในระดับปัญญาจิตจเจริญขึ้นมาได้ตามระดับก็เพราะมีการกระทาตามระดับนั่นเองถ้าจิตทำทานอยู่เรื่อ ย, อยจิตก็จ ะ, จะเจริญในระดับทานถ้าจิตรักษาศีลอยู่เรื่อยก็จ ะ, จะเจริญในระดับศีลถ้าจิตฝึกสตินั่งสมาธิอยู่เรื่อย จิตก็จะเจริญในระดับสมาธิถ้าจิตมันเจริญปัญญาพิจารณาธรรมสภาวะธรรมต่างๆให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาจิตก็จะปล่อยวางสภาวะธรรมต่างๆได้จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ก็เรียกว่า จเจริญในระดับปัญญาทีนี้ถ้าเราจเจริญในระดับไหนแล้วเราเสื่อมลงมาก็แสดงว่าเราหยุดกระทาเหตุที่จะทําให้จิตจเจริญ น, นั่นเองถ้าเรามีความจเจริญในระดับการทําบุญทำทานพอเราหยุดทําบุญทําทานเจตเราก็ตกลงมาได้ ออกมาในระดับที่ไม่ได้ทำบุญทำทานถ้าเราเคยรักษาศีลอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็ไม่มารักษาศีลจิตก็จะเสื่อมลงจากระดับศีลได้จากระดับศีลไปเป็นระดับไม่มีศีลเช่นเดียวกับระดับสมาธิระดับปัญญาจิตเจริญเพราะมีการ ปฏิบัติทำขั้นต่างๆถ้าพอหยุดปฏิบัติเจตก็จะเสื่อมลงมาทันทีมีระดับเดียวที่เจตจะไม่เสื่อมก็คือระดับโล ก, กุตตระระดับพระอริยบุคคลที่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับโสดาบันระดับสกิรดาคามี ระดับอนาคามีระดับอรหันต์อันนี้เป็นจิตระดับปัญญาผู้ที่มีปัญญาแล้วสามารถละสังโยชน์ต่างๆได้สังโยชน์นี้มีแบ่งไว้มีอยู่สิบสังโยชน์ด้วยกันแบ่งไว้เป็นสองระดับสังโยชน์เบื้องต่ำกับสังโยชน์เบื้องสูง ความย่อเบื้องต่ำมีอยู่ห้าข้อคือวิจิตส ก, กายาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราเช่นเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเห็นว่าความรู้สึกเวทนาความนึกคิดต่างต่างเป็นตัวเราของเรา นี่เรียกว่าสักกายทิตฐิความจริงร่างกายไม่ใช่เป็นเราความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เป็นเราเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดไม่มีไม่มีเราเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดมันเป็นความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเวลาฟ้าร้องนี่ไม่มีใครไปร้องฟ้ามันร้องมันเป็นธรรมชาติ ไม่มีใครไปตีกลองให้มันเสียงดังกระหึมผู้ที่ตีไม่มีคนตีกลองคนที่ทำให้เสียงฟ้าร้องนี้ไม่ใช่เป็นคนไม่มีใช่ตัวตนเป็นสภาว่าธรรมเป็นเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติจันได้ร่างกายนี้ก็เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติร่างกายนี้เกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาเพราะ มีธรรมชาติอยู่สชนิดคือดินน้ำลมไฟมาผสมรวมกันพร้อมกับธรรมชาติอีกตัวหนึ่งคือตัวผู้รู้ที่เราเรียกว่าจิตใจเมื่อมารวมกันก็จะปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมาเกิดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาแต่ใจนี้ถูกความหลงอวิชชาหลอกให้ไปคิดว่า ใจนี้คือเราตัวเราผู้คิดนี้คือเราผู้คิดเราเป็นคนคิดเราคนรู้นี่เป็นเพียงแต่ความความคิดเท่านั้นเองเป็นความหลงเหมือนกับสมัยก่อนที่คนคิดว่าโลกนี้แบนเป็นความคิดเท่านั้นเองแต่ความจริงโลกนี้มันกลมแต่คน เมื่อมองด้วยตาธรรมดาก็จะมองไม่เห็นว่ามันกลมเพราะความโลกมันใหญ่มากความที่โลกมันเป็นโลกที่มีขนาดใหญ่มากคนนี้เหมือนกับตัวเท่ามดเลยมองเห็นโลกผิวโลกที่ตนเองเหยียบอยู่มันลาบมันแบนเพราะความโค้งเว้ามันมีน้อยมากก็เลยเข้าใจผิดไปจิตก็ไปเข้าใจผิดว่า ความคิดนี้เป็นเรามีเราเป็นผู้คิดความรู้นี้มีเราเป็นผู้รู้แล้วร่างกายนี้ก็มีเราเป็นเจ้าของเราเป็นร่างกายเพราะเรามาควบคุมบังคับมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้ผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรได้แต่ร่างกายบางเวลาสั่งมันมันก็ไม่ทำก็ได้ เวลามันเป็นเอามาพึกเอามาพาดขึ้นมาสั่งไประบบที่มีการสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวมันมันขาดตอนไปเช่นเส้นประสาทมันเสียมันขาดจากสมองสั่งไปที่แขนที่ขาให้มันขยับมันไม่ขยับอันนี้มันเป็นระบบของร่างกายผู้สั่งก็คือผู้คิดนี่ผู้คิด นี่ก็คือให้ให้มองให้เห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี้มันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนธรรมชาติที่มีมีความสามารถที่จะคิดที่จะรูอ้อย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่มีคนที่มาคิดมามารู้ค้นหาไอ้คนนี้หาไม่เจอเหรอกมันไม่มีลองค้นหาตัวเรามันอยู่ที่ไหน เราก็จะไปตูวว่าอยู่ที่ร่างกายเพราะว่าเราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเหมือนคนที่คิดว่าโลกนี้มันแบนแต่ถ้าเราค้นหาตัวเราว่าถ้าอยู่ในร่างกายเราอยู่ตรงไหนลองค้นหาดูร่างกายมันมีอาการสาวสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราเป็นผมหรือเปล่าเราเป็นขนหรือเปล่า เวลาเราโกนผมทิ้งไปนี่เราหายไปกับผมหรือเปล่าจำไหมถ้าเราเป็นผมมันโกนผมไปมันก็ต้องหายไปเลยถ้ากนคิ้วไปกนขนไปมันก็ต้องหายไปถอนฟันออกหมดจากปากเราก็ต้องหายไปยมันก็ยังอยู่มันก็ยังสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้เหมือนเดิมอยู่ให้ตัวคิดตัวสั่ง งั้นถ้าเราค้นหาทุกอาการที่มีอยู่ในร่างกายแล้วไล่ไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆว่าตัวนี้เป็นเราหรือเปล่าปอดเป็นเราหรือเปล่าตับเป็นเราหรือเปล่าต้เป็นเราหรือเปล่ามันก็จะได้คำตอบว่ามันไม่ได้เป็นเราแล้วมันเป็นปอดมันเป็นไตมันเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ทำให้ร่างกายขับเคลื่อนไปไหนมาไหนอยู่ได้มันเป็นส่วนประกอบของร่างกาย ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟนี่เองดินน้ำลมไฟก็มาทางอาหารดินเวลารับประทานอาหารก็มีข้าวมีผักนพวกนี้ก็มาจากดินแล้วก็มีน้ำผสม ม, มาผสมน้ามีน้ำแกงน้ำอะไรนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องเดิมชนิดต่างๆที่เราเดิมกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจเข้าออกกันอยู่ตลอดเวลา ความร้อนก็มีอยู่ในร่างกายร่างกายมันเป็นระบบเหมือนเครื่องจักรนอะพอเครื่องจักรมันทำงานมันก็เกิดการเาะความร้อนขึ้นมารถยนต์นี่เวลาเราพอเราสตาร์ทรถดเดี๋ยวเครื่องก็ร้อนขึ้นมาร่างกายวาพอมันทำงานหัวใจเต้นปอดเลือดวนไหลเวียนลมไหลเวียนมันก็ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาเหมือนกับรถยนต์ นี่ก็คือส่วนประกอบของร่างกายหาตัวเราไม่เจอมันมมันมาจากธาตุสี่านมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็มาผสมกับธาตุรู้คือผู้ผู้รู้คือความรู้สึกนึกคิดนี่เอยู่ในอยู่ในตัวธาตุรู้ตัวร่างกายนี้มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดเวลาที่ตัวธาตุรู้แยกออกจากร่างกาย เวลาคนตายนี่ไม่มีธาตุรู้แล้วเอาเข็มไปจิ้มร่างกายมันไม่สะดุ้งและวเอามีดไปผ่าชนาสูตรมันไม่ต้องวางยาสลบลไม่ต้องไม่ต้องฉีดยาชาแต่ขณะที่มีจิตผู้รู้รับรู้อยู่นี่พอมีผู้รับรู้พอมีมีดไปขีดปั๊บมันจะสะดุ้งขึ้นมาทันทีไอ้ตัวสะดุ้งนี่คือตัวผู้รู้ผู้ผู้รู้ผู้รู้สึกผู้รับรู้ความรู้สึกต่าง แต่มันเป็นระบบมันไม่ได้เป็นคนมันไม่ได้เป็นตัวตนที่มามามารู้สิ่งเหล่า น, นี้นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วทำความเข้าใจว่าร่างกายชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นระบบของธรรมชาติเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวรู้ตัวคิดเนี่ยมันมันมาคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเหมือนมาต่งนิยายขึ้นมา แต่งว่ามีตัวตนขึ้นมามีตัวตนที่ที่มาควบคุมบังคับให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่มันก็ถ้าจะเป็นตัวตนมันก็เป็นแค่ชั่วคราวเดี๋ยวพอร่างกายมันตายไปตัวตนนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับร่างกายนั้นได้ที่ให้ศึกษาเหล่านี้เพราะว่าถ้าไม่ศึกษา ไม่เข้าใจจะไปยึดไปถือความคิดความหลงนี้ว่าเป็นความจริงแล้วพอไปไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความอยากพอมีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราก็จะอยากให้มันให้ความสุขกับเราเราก็ไม่อยากให้มันให้ความทุกข์กับเรา พอเราก็ไปเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยทำให้จิตเราทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ของจิตผู้รู้ผู้คิดนี้เกิดจากความอยากต่างๆของผู้รู้ผู้คิดเองของจิตเองพอคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราก็อยากให้ร่างกายอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่อยากให้มันจากเราไป แต่ธรรมชาติของร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวอมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามระบบของมันนี่คือระบบของของดินน้ำลมไฟที่เวลามารวมตัวกันในเบื้องต้นก็จะเจริญเติบโตพอมันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลัง จะเริ่มเสื่อมจะเริ่มแยกตัวออกจากกันอา้าสีมันไม่ยอมอยู่ด้วยกันแต่มันถูกมันถูกระบบหรือถูกอะไรมาทำให้มันมารวมกันเช่นธาตุของพ่อกับของแม่มันมารวมกันถูกบังคับพอมันมารวมกันมันก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วในระบบของ ท้องแม่ก็มีระบบธาตุมาคอยเติมให้อยู่เรื่อยๆมันก็เลยทําให้เกิดการเจริญเติบโตของร่างกายขึ้นมาแต่ร่างกายมันก็เจริญเติบโตได้เต็มที่พออยู่ในครันได้เก้าเดือนมันก็ต้องออกมาเพราะมันที่มันอยู่ไม่ได้ออกมาแล้วมันก็ต้องมาเติมธาตุต่อเติมเองตอนอยู่ในครันนี่ก็อาศัยของแม่แม่คอยคอยส่ง ธาสี่ส่งสเสบีย ง, งส่งวัตถุดิบที่จะสร้างร่างกายนี้แต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วก็ต้องหาเองต้องกินเองต้องหายใจเองต้องเอาน้ำเข้าสู่ร่างกายเองเอาลมเข้าสู่ร่างกายเองเอาเอาดินเข้าสู่ร่างกายเอาความร้อนเข้าสู่ร่างกายมันก็เลยจเจริญเติบโตขึ้นมาได้ จนเต็มที่เมื่อมันจะริญเต็มที่มันโตไปก่อนนั้นไม่ได้มันก็นับถอยหลังมันก็จะมันไม่มีอะไรที่จะดึงให้มันอยู่ร่วมกันมันก็จะแยกตัวออกจากกันไอสิ่งที่ต้องการแยกออกจากกันก็คือดินน้ำนมฝายเนี่ยที่ที่มันถูกเอามารวมกันพอมันอยู่ร่วมกันไม่ได้มันก็เริ่มเสื่อมนะ พอเริ่มเสื่อมก็ร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปแก่ลงมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าอวัยวะต่างๆเริ่มชํารุดสุดโทรมเป็นโรคต่างๆโรคเสื่อมทั้งนั้นส่วนใหญ่คนชราหัวใจเสื่อมตับเสื่อมปอดเสื่อมลำไส้เสื่อมระบบการทํางานเริ่มเริ่มรวนเลยเริ่มมีปัญหาอ แล้วไม่ว่าจะใช้ยาใช้วิธีไหนก็ก็ จ, จะช่วยได้ในร ะ, นระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะประครับประคองให้มันอยู่กันไปได้ตลอดและในที่สุดมันก็ระบบมันก็จะล้มแลว้วเมื่อปอดไม่หายใจเข้าออกไม่มีลมเข้าลมออกระบบก็หยุดทำงานพอหยุดทำงานทีนี้ถ้าปล่อยมันไว้เฉย ไอ้ธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันมันก็จะแยกกันออกไปสิ่งที่ไปก่อนก็คือลมลมไม่เข้าแล้วมีแต่ลมออกลมที่ระเหยออกจากร่างกายที่เป็นกลิ่นออกมานี่ก็เป็นลมตามมาด้วยไฟความร้อนในร่างกายก็หายไปจับร่างกายคนตายดูมันไม่อุ่นเหมือนร่างกายคนคนเป็น แสดงว่าธาตุไฟหมดแล้วแล้วถ้าทิ้งต่อไปเดี๋ยวธาตุน้ําก็ไหลออกมาตามทวารต่างๆตามรูต่างๆน้าเหลืองอะไรต่างๆนี่ก็ไหลเยิ้มออกมาถ้าทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะแห้งกรอบไปเหนือเพราะว่าน้ําในร่างกายมันหมดแล้วเหลือส่วนที่เป็นดิน ส่วนที่เป็นดินมันก็จะแห้งกรอบแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือการศึกษาความเป็นจริงของร่างกายเพื่อจะได้รู้ว่าเนี่ยนี่คือร่างกายไม่มีตัวมีตนร่างกายเป็นการประกอบขึ้นจากการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็สามารถทำอะไรได้ก็เพราะมีธาตุที่หคือธาตรู้คือใจ มาคอยสั่งคอยบอกให้ทำอะไรต่างๆแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ตกอยู่ในอำนาจของความหลงที่หลอกให้ไปคิดว่าร่างกายเป็นใจเลยทำให้ใจนี้อยากให้ร่างกายอยู่กับใจไปตลอดเพราะไปคิดว่าเวลาใจเวลาร่างกายตายไปใจจะตายไปกับร่างกายเพราะไปคิดว่าต่ใจเป็นร่างกายก็เลย ต้องไปทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะมีความอยากความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก็ห้ามมันไม่ได้คนที่ไม่รู้ก็พยายามหาวิธีที่จะรักษาร่างกายป้องกันร่างกาย แต่ทำยังไงไม่ช้าก็เร็วมันก็ทำไม่ได้ช่วงที่มันมีร่างกายและช่วงที่มันต้องดูแลรักษาหรือคุ้มครองหรือป้องกันนี้มันก็อยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบความวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆนานาอันนี้ผลเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็น ใจใจเลยทุกข์กับร่างกายเพราะความหลงของตนเองพระพุทธเจ้าส่งคนคว้าศึกษาเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจก็ค้นพบว่าร่างกายนี่มันเป็นดินน้ำลมฝสมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วก็ใจที่มาครอบครองก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ใจก็เป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้ตายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแต่ความหลงหลอกให้ทุกข์เพราะคิดว่าจะตายคิดว่าจะแกะ่คิดว่าจะเจ็บไปกับร่างกายแต่พอสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้หรือว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ปล่อยวางร่างกายได้ ไม่ไม่ไปอยากให้ไม่แก compra, ไ่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้อง иться, ตายไปตามธรรมชาติของมันการเห็นความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ทาให้ใจยอมรับความจริงก็เลยไม่ไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเวลาเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันทุกข์ทรมานใจใจไม่ต้องการความทุกข์ ก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยการมองเห็นความจริงว่าผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายนี้ไม่ใช่ใจใจไปหลงไปคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายท่านั้นเองนี่ก็จะละสักกายทิฏฐิได้ละความเจ็บคือเวทนาเวทนาก็ไปคิดว่าเราเจ็บคิดว่าจิตเป็นผู้เจ็บ แต่จิตหรือใจนี้เป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ความจิตของร่างกายเท่านั้นเองเป็นผู้รับรู้เหมือนกับเป็นผู้ดูภา พ, พยนตร์ เ, เวลาเราดูภา พ, พยนตร์เราเห็น เ, เหตุการณ์บนจอภา พ, พยนตร์คนยิงกันตายแต่เราบางทีก็ลืมว่าเราดูเราไปคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็เลยตื่นเต้นตกใจไปกับเหตุการณ์ในจอภา พ, พยนตร์เนเราดูแบบไม่มีสติก็เลยว่า ดูแบบเคลิมไปกับมันอินไปกับมันมีอารมณ์ไปกับมันเช่นเดียวกับจิตที่ไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็ดูร่างกายเป็นแบบเคลิ่มไปกับมันเป็นไปกับมันเป็นร่างกายไปกับมันร่างกายเป็นอะไรก็ตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวไปกับมันทุกข์ไปกับมันแต่พอได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมนีก็จะสามารถที่จะ ดึงใจแยกใจให้ออกจากการไปฝังอยู่ในร่างกายได้ฝังด้วยความรู้สึกนึกคิดนะ่ไปนึกไปคิดเองว่าเป็นร่างกายแล้วก็เลยไปทุกข์กับร่างกายพอฝึกสติฝึกสมาธิได้มันก็แยกออกจากกันได้ก็กลับมาอยู่จุดที่ควรจะอยู่คือถ้าเป็นคนดูหนังก็ให้นั่งดูเฉยๆแล้วก็คอยหยิกตัวเองว่ากาลังดูภาพนะไม่ได้ ไม่ได้อยู่ในจอไม่ต้องไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่อยู่ในจอเราเป็นคนดูนี่คือวิธีที่จะดึงใจให้ออกจากร่างกายแยกออกจากกาันแยกด้วยการทำสมาธินี่แหลพะพอเวลาทำสมาธิจิตจะมิใช้สติดึงตัวที่ไปเกาะติดอยู่สิ่งที่ไปเกาะติด กับร่างกายก็คือวิญญาณตัวที่ไปรับข้อมูลต่างๆจากร่างกายมาสู่ใจเราเรียกว่าวิญญาณเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างจิตกับร่างกายเชื่อมกันที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองพอเห็นภาพปั๊บภาพมันก็จะเข้าไปที่ใจใจก็จะรับรู้ว่ากำลังเห็นภาพอะไรตัวตาเองมันไม่รู้ว่ามันเห็นภาพอะไร ตามันก็เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องถ่ายรูปมันไม่รู้ว่ามันถ่ายรูปอะไรแต่คนถ่ายเนี่ยรู้ว่าอ๋อกำลังถ่ายรูปคนนั้นถ่ายรูปคนนี้อยู่คนถ่ายก็คือจิตจิตก็รับรู้เรื่องของร่างตาหูรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มามีความรู้สึกกับมันเห็นภาพดีก็เกิดความสุข เห็นภาพไม่ดีก็เกิดความทุกข์แล้วพอเกิดความสุขเกิดความทุกข์ก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้ามันสุขก็อยากให้มันเป็นของเราอยู่กับเราถ้ามันทุกข์ก็อยากจะให้มันไปไม่อยากให้มันอยู่กับเราพอเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นนึอย่างที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาแก้ตัวนี้แก้ตัวที่ความทุกข์ใจ ความทุกข์ทางร่างกายนี้เราแก้ไม่ได้แต่เราแก้วความทุกข์ทางใจได้ด้วยการหยุดความอยากเห็นอะไรดีชอบก็ให้เห็นเฉยๆอย่าไปอยากได้พอเดี๋ยวอยากได้แล้ ว, ลวเวลาไม่ได้มันไม่สบายใจเลยเห็นอะไรที่ไม่อยากได้อยากให้มันหายไปก็อย่าไปอยากให้มันหายไปก็ดูมันไปเฉยๆนะผู้ที่สัมผัสกับสิ่งที่ ที่ใจไม่ชอบนึกชอบไม่ใช่ปิดใจใจอยู่เบื้องหลังผู้ที่สัมผัสก็คือร่างกายร่างกายเป็นผู้ไปสัมผัสกับสิ่งที่ที่ร่างกายเห็นผู้ที่จะเจ็บตัวก็คือร่างกายถ้ามีอะไรเป็นภัยต่อมันก็จะเกิดที่ร่างกายแต่ใจนี้เป็นเหมือนคนดูร่างกายอีกทีหนึง่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ร่างกายไม่สามารถไป กระทบกับจิตใจได้จิตใจเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้เท่านั้นเองแต่จิตใจก็ไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยไปตกใจไปหวาดกลัวหรือไปรักไปชังไปอะไรกับเหตุการณ์ต่างๆที่ร่างกายไปสัมผัสรับรู้พอสามารถแยกได้ว่าใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นผู้ที่ มารับรู้อะไรต่างๆแล้วก็รับรู้แล้วมันก็ผ่านไปสุขมันเห็นอะไรเห็นปั๊บแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ยินอะไรปั๊บแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใจอย่าไปมีอารมณ์กับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรร่างกายมันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะระเบิดมันก็ไม่กลัวมีดมันก็ไม่กลัวความตายมันก็ไม่กลัวร่างกายความเจ็บมันก็ไม่กลัวความแก่มันก็ไม่กลัว เพราะร่างกายมันไม่มีความรู้มันไม่มันไม่รู้ว่าตัวมันจแก่ตัวมันเจ็บตัวมันตายมันก็เฉยเฉยมันไม่ตื่นเต้นเดือดร้อนผู้ที่รู้ต่างหากเป็นผู้ไปตื่นเต้นเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะความหลงที่ไปคิดว่าเป็นร่างกายพอหายหลงแล้วรู้ว่าไม่เป็นร่างกายแล้วก็ไม่ตื่นเต้นตกใจแต่อย่างใดเรื่องของร่างกายมันเป็นอะไรก็ต้องเป็นไป ถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันไปถ้าแก้ได้ก็แก้ไปแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้มันเป็นไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องสูญสลายไปต่อให้เราดูแลรักษามันดีขนาดไหนเราก็ไปห้ามการสิ้นสุดของร่างกายไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ เราก็จะมองร่างกายที่เรามีอยู่นี้เหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นเนี่ร่างกายคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่เดือดร้อนใช่ไหมเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวหวาดอะไรกับเขานอกจากเราไปหลงไปยึดติดในตัวเขาเองนั่นเองเช่นไปยึดติดกับคนที่เราชอบเช่นสามีเราภรรยาเราหรือ ล, ลูกเราพ่อแม่เรา พอไปยึดติดมันก็เหมือนกับยึดติดกับร่างกายเราอีกก็ไปทุกข์กับร่างกายเขาด้วยทุกข์กับร่างกายของเราไม่พอเรายังต้องไปทุกข์กับร่างกายของคนอื่นอีกทั้งทั้งที่เราไม่ต้องทุกข์แต่เราก็อดทุกข์ไม่ได้เพราะความหลงไปคิดว่าเขาเป็นเป็นมีความสัมพันธ์กับเราเป็นของเราแต่ความจริงเขาก็เป็นเหมือนร่างกายของเราเนี้ยเขาก็มาจากดินน้าลมไส ร่างกายของเขาจิตใจเขาก็เป็นธาตุรู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปจิตใจเขาก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าคนปฏิบัติแล้วมันจะละสัง ก, กายทิฏฐิได้ละความเห็นว่าขันห้าคือโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มีตัวมีตนว่าเป็นจริงมันเป็นเพียงระบบธรรมชาติระบบของธาตุทั้งห้ามารวมตัวกัน ธาตุดินน้ำลมไฟกับธาตรู้นั่นเองอันนี้ก็จะละส ก, กายาทิฐิได้เวลาละได้นีใจจิตก็จะเจริญจิตก็จะเข้าสู่ความสงบระดับปัญญาเวลาปล่อยวางร่างกายได้นี้มันเบามันสบายร่างกายนี้มันเหมือนเป็นภูเขาที่เราแบกอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัว ทุกวันนี้ที่เราหนักอกหนักใจนี้ก็หนักอกหนักใจเกี่ยวกับร่างกายยิ่งคนแก่เวลาเจอกันถามเป็นยังไงไปหาหมอมาแล้วยังตรวจโรคมาแล้วยังเนี่ยมันเรื่องหนักอกหนักใจอยู่กับไอ้เรื่องร่างกายนี่แหละหนักยังไงเดี๋ยวมันก็ไปออถ้าแต่ไม่ยอมคิดคนกลัวกันไม่ยอมคิดถึงความตายกันก็เลยไม่รู้จักวิธีว่าจะทําไงเวลามันจะตายทํำยังไงก็รู้แต่ รู้แต่กลัวอย่างเดียวรู้แต่ทุกข์อย่างเดียวเพราะไม่รู้จักวิธีว่าจะทำใจยังไงให้ไม่กลัวไม่ให้ทุกข์ก็ต้องมาศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติวิธีที่จะไม่ทุกข์กับกายกับใจไม่ทุกข์กับร่างกายกับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องมาฝึกจิตทาควบคุมจิตให้สงบให้ได้แล้วเอาความสงบนี้สู้กับความความแก่ความเจ็บความตาย คือให้รับรู้เฉยๆ อ, อ, อย่าไปอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายแต่ถ้ารักษาได้ป้องกันได้ก็ทำไปไม่ห้ามแต่ต้องรู้ว่าทำไปยังไงมันก็ในที่สุดมันก็ทำไม่ได้ไพ่ใบสุดท้ายเขาชนะเราเนะีพอเปิดไพ่ใบสุดท้ายเราแพ้เขาแต่ก่อนที่จะเปิดเราก็คิดว่าเราชนะเขา แต่ใบสุดทอเขาเปิดใบสุดท้ายขึ้นมาเราก็ต้องยอมเขาแต่จะยอมแบบยอมแบบสุขหรือยอมแบบทุกข์ถ้ายอมแบบสุขก็คือรู้ทันปล่อยวางรู้ว่าอย่างไงเขาก็ต้องชนะเรารู้ว่อย่างไงเขาร่างกายาก็ต้องตายอยู่ดีรักษายัางไงดูแลอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นความตายแต่เราสามารถไม่ทุกข์กับความตายได้ถ้าเราแยก ตัวเราออกจากร่างกายอย่าไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเรามองร่างกายเหมือนเรามองร่างกายของคนอื่นเท่านั้นเองร่างกายคนอื่นไม่ทุกเราก็ต้องไม่ทุกข์กับร่างกายของเราเนี่ยวิธีไม่ทุกข์ก็ต้องทำใจให้นิ่งอย่าไปอยากถ้าทำใจให้นิ่งแล้วมันก็จะไม่ทุกข์พอมันอยากก็ต้องใช้ปัญญาเตือนว่าอย่าไปอยากมันไม่ใช่ตัวเราของเรา อันนี้คือหน้าที่ของปัญญาคอยบอกความจริงให้กับใจพอใจรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็จะได้ไม่อยากแต่พอบางทีเผลอมันลืมพอปัญญาลืมปับ๊บมันก็จะไปะยึดทันทีไปอยากทันทีอันนี้เราจะรู้ว่าปัญญาทันกิเลสหรือไม่ก็ดูที่ว่าใจเราทุกข์หรือไม่ถ้ายังทุกข์กับร่างกายอยู่ก็ยังแสดงว่ายังหลงอยู่ ถ้าไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วก็แสดงว่าหายหลงเช่นไปหาหมอหมอตรวจโรครั้งสุดท้ายหมอบอกเจอก้อนมะเร็งแล้วเจอขั้นสุดท้ายด้วยเหลือเวลาสามเดือนตอนนั้นเราจะได้ดูว่าใจเป็นยังไงใจทุกข์หรือใจเฉยถ้าใจเฉยก็แสแดงว่าใจมีปัญญาใจมีสมาธิทำให้ใจไม่ทุกข์กับ กับการเป็นโกเมะเร็งของร่างกายได้กับความตายของร่างกายที่จะตามมาต่อไปถ้าใจวุ่นวายก็รีบไปปฏิบัติธรรมนะรีบไปฝึกสมาธิไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเพราะใจนี้มันไม่ใช่ฝึกแบบง่ายๆเหมือนกับเอาม้าป่ามามาฝึกเนี่ยใหม่ๆนี่มันสู้นะม้าป่านี่สัตว์ป่าที่มันไม่เคยถูกควบคุมบังคับนี่มันจะสู้สุดๆเน ต้องใช้เชือกต้องอะไรแข็งแรงนึกปลูกมัดมันไว้แล้วก็ให้มันดิ้นของมันไปจนกว่ามันจะหมดแรงพอหมดแรงแล้วมันก็จะเริ่มเชื่องถ้ามันดือก็อย่าให้มันกินข้าวพอมันไม่ดือก็ให้มันกินข้าวต่อไปมันก็หายดือกต่อไปมันก็จะเชื่องอยู่ในคาสั่งอยู่ในความสงบจิตก็เหมือนกันเนี่ยที่ต้องมาฝึกจิตก็เพื่อทาให้มันเชื่อง ให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราสั่งให้มันเฉยต้องเฉยให้ได้ mm. ถ้าเวลามันโลภสั่งให้มันหยุดต้องหยุดต้องหยุดให้ได้เวลามันโกรธต้องสั่งให้มันหยุดให้ได้ถ้าหยุดไม่ได yes, ้ก <ten out> ็แสดงว่ากำลังของเรายังไม่พอกำลังมันมากกว่าเราก็ต้องฝึกให้มากขึ้นสติไม่พอต้องฝึกสติให้มากขึ้นจนกว่าเราจะสามารถทาหยุดจิตได้หยุดด้วยสติก่อน พอหยุดด้วยสติแล้วขั้นต่อไปก็สอนสอนจิตให้มันหยุดตัวมันเองให้เห็นโทษว่าเวลาไม่หยุดมันทุกข์นี่เรื่องหน้าที่ของปัญญาสอนจิตให้รู้ว่าสาเหตุที่จิตทุกข์เพราะจิตเด้อจิตอยากจิตโลภ จ, จิตโกรธถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปโลภอย่าไปอยากการที่จะไม่โลภไม่อยากก็ต้องเห็นตายลักในสิ่งที่เราโลภเราอยากว่ามันเป็นทุกข์สิ่งที่เราอยากได้เนี่ย มันไม่เป็นสุขหรอกได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เราทุกข์อยาไปอยากดีกว่าอยาไปอยา ก, ยากมีอยากเป็นดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าถ้ามันเชื่อในที่สุดมันก็จะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้แม้แม้แต่ร่างกายหรืออย่างอื่นมันก็จะเฉยได้หมดการปฏิบัติจิตก็เนี้ยก็จะเป็นการมาละสังโยชน์ขั้นต่างๆระดับแรกก็จะ ละได้สา ม, สามตัวด้วยกันสักกายทิฏฐิวิจิตกิจฉาความรังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลพัทธาปร ม, รรมสราสเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเวลาละสังโยดได้เนี่ยมันจะรู้เหตุว่าอะไรทำให้จิตทุกข์สิ่งที่ทำให้จิตทุกข์ก็คือความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายเป็นเราของเรา พอละได้มันก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นธรรมันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนธรรมหล่า น, นี้เราไม่ได้มาจากใครแล้วได้มาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอเราเห็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติแล้วเราส า, สามารถนํำธรรมนี้มาใช้ประโยชน์กับจิตใจได้เราก็หายสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ธรรมะที่พพุทธเจ้าสอนนี้มีประโยชน์จริงหรือไม่ เพราะเราเห็นแล้วมันเกิดประโยชน์แล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือพระอริยสงฆ์นี่เราก็ไม่สงสัยเพราะเราได้กลายเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาแล้วผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลพัตะประมาตได้ก็หายสงสัยในพระพุทธศีลพัตะตก็คือการไปการไม่เห็นคุณประโยชน์ของศีลว่าเป็นเป็นเป็น เป็นสิ่งที่จะระ ง, งับความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เกิดจากทาบาปจะไม่เกิดถ้ารักษาศีลได้คนส่วนใหญ่นี้จะไม่ยอมรักษาศีลกันเวลาทุกข์เพราะว่าเวลาอยากแล้วมันอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรบางทีต้องต้องทำผิดศีลก็ยอมทำผิดศีลแต่ไม่รู้ว่าทำไปแล้วแทนที่จะไประ ง, งับความทุกข์ใจกลับไปสร้างความทุกข์ใจให้มากขึ้น ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาเวลาเกิดความทุกข์ใจต้งมาแก้มาหยุดที่ความอยากไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปทําบาปเพื่อมาแก้ความทุกข์ใจเช่นอดอยากขาดแคลนก็ไปลักไปขโมยไปฆ่าสัตว์มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างนี้มันเป็นการทําบาปที่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาความทุกข์ใจความทุกข์ใจที่เกิดจากความหิวความอดอยากขาดแคลนก็คือ ความอยากได้อยากให้ได้กินนั่นเองอยากได้กินแต่ถ้ามันไม่มีกินก็หยุดความอยากนั้นมันก็จะไม่ทุกข์ใจมันอิ่มแต่ร่างกายมันอาจจะหิวถ้าไม่มีความอยากเราใจหายหิวหยุดความอยากพอใจอิ่มแล้วร่างกายมันจะหดอยากขาดแคลนไงมันก็พอทนได้ที่มันทนไม่ได้ก็เพราะความหิวของใจมากกว่า พอรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากต่างๆก็หยุดมันเสียอย่าไปทำตามอย่าไปทำบาปเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเพราะมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหามันเป็นการไปเพิ่มปัญหาทำบาปแล้วเดี๋ยวก็มีโทษติดตามมาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมปิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกประหารชีวิตได้ทางธรรมก็ตายไปก็ยังต้องไปเกิดในอบายต่อ อันนี้เป็นความเป็นธรรมที่พระโสดาบันจะเห็นเห็นว่าบาปนี้มีจริงบาปนี้เกิดจากการทำผิดศีลผิดธรรมถ้าไม่อยากจะไปรับผลบาป ก, ก็อย่าไปแก้ปัญหาความทุกข์ใจเช่นเวลาร่างกายอดอยากขาดแคลนหรือต้องการอะไรให้กับร่างกายก็อย่าไปทำบาปเพื่อให้ได้มายอมอดดีกว่าหยุดความอยากดีกว่า พอหยุดความอยากแล้วใจจะไม่เดือดร้อนไม่ทรมานอันนี้ก็จะละสังโยชน์สามตัวแรกได้อันนี้ก็พอได้ระดับนี้แล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมลงมาจากเป็นปุตตชนธรรมดาที่ยังต้องอเวียนว่ายตายเกิดที่ยังติดอยู่กับความรักความหวงร่างกายอยู่ พอโสดาบานนี้พอปล่อยร่างกายแล้วก็จะปล่อยอย่างถาวรไม่มีวันที่จะกลับไปหลงไปยึดไปติดอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าการเจริญด้วยปัญญาถ้าไปถ้าเจริญด้วยปัญญาแล้วไม่เสื่อมถ้าเจริญด้วยสติคือสมาธิยังเสื่อมได้เช่นนั่งสมาธิเข้าเข้าฌานอย่างนี้เวลามีสติอยู่ใจก็จะสงบเป็นฌาน แต่พอออกจากสมาธิมาไม่ควบคุมใจต่อไม่มีสติคอยยับยัง้งความคิดปุงแต่งพอให้คิดไปตามความอยากต่างๆเดี๋ยวก็ไปทำอะไรตามความอยากความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปหมดก็เรียกว่าจิตเสื่อมลงมาถ้าอยากจะกลับไปใหม่เนระดับสติก็ต้องระดับสมาธิก็ต้องดึงสติกับคืนดขึ้นมาใหม่ ขี้เกียจพุโทโธก็ต้องพุโทโธใหม่ขี้เกียจคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ต้องมาเฝ้าดูมันไปคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดเนี่ยพอสามารถควบคุมความคิดระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆได้จิตก็กลับเข้าสู่ความสงบใหม่ได้ก็นี่ก็คือวิธีแก้ความเสื่อมระดับสมาธิต้องแก้ด้วยการด้วยการใช้สติ ถ้ามีสติเดี๋ยวก็นั่งสมาธิจิตก็สงบได้ถ้าเสื่อมในระดับศีลเคยถือศีลแปดได้แต่พอกลับบ้านก็ไปถือศีลห้ามันก็เสื่อมจากระดับศีลแปดมาลงระดับศีลห้าจิตก็วุ่นวายมากขึ้นศีลก็ช่วยระงับความวุ่นวายได้ถ้าอยากจะให้กลับไปก็ต้องกลับไปรักษาศีลแปดใหม่อวันนี้ฝนตกอีกแล้วก็ ขยับขยายยังไงก็ได้นะหรือว่าจะยุติไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้พรเลยเผื่อจะต้องกลับบ้าน mm hmm. พะไม่รู้จะพูดอะไรแนละ้วเดี๋ยวเสียงมันมายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิติตังปฏิต um ังสุมหังคิดว่เมวะสมิจจตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพารโควินาสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาธนศิริสานิจจังวุฒาปจายิโนจตารุธรมมวทานติอายุวันโนสุขังภาลั วันนี้ก็รายได้แค่นี้เทวดามารบกวนอย่างนั้นต้องปฏิบัติทำถึงจะทําให้จิตไม่เสื่อมถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็เสื่อมถอยหลังเหมือนรถน่ะต้องคอยเหยียบคันเร่งไว้มันก็จะไม่ช้าความเร็วมันจะไม่ลดพอปล่อยคันเร่งปั๊บมันก็ความเร็วมันก็ลดทันทีไม่ต้องเหยียบเยบรกเพียงแต่ปล่อยคันเร่งมันก็ลดละ พอหยุดปฏิบัติมันก็เริ่มถอยหลังแล้วเพระฉะนั้นต้องปฏิบัติไม่หยุดจนกว่าจะไปถึงจุดที่มันไม่เสื่อมแล้วตอนนั้น่ะหยุดได้พอเป็นโสดาบแล้วขี้เกียจไม่ปฏิบัติก็ได้มันจะไม่ลงมาจากอแต่มันจะไม่ขึ้นสูงกว่านั้นถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่านั้นมันก็ต้องปฏิบัติเพิ่มอี ก, าากขั้นของโสดาบา ห, าหนอาท่านอาจารย์ที่บอกว่าอืม <c oughs> ก็ต้องเห็นนอสุภะของคูここ่ครองเลยเห็นตับไตไส้พุงของแฟนเราเห็นโครงกระดูกเห็นอะไรอย่างนี้นี่ไม่เห็นนเลยเห็นแต่หน้าตาจุ๋มจิ๋มอลยอาเชิญเมาก็ต้องพยายามปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเจิดถึงจะเจริญได้ จิตอยู่เฉยๆมันก็เหมือนกับคนที่ไม่กินข้าวถ้าไม่กินข้าวมันก็ไม่เจริญเติบโตพอเด็กออกจากท้องแม่มาแล้วถ้าไม่ให้มันกินข้าวมันก็ไม่มีวันโตได้ให้เด็กโตก็ต้องให้อาหารให้นมให้น้ําจิตใจก็เหมือนทารกนะตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนเด็กทารกถ้าอยากจะให้จิตใจเราเจริญเติบโตเราก็ต้องให้อาหาร อาหารของจิตใจก็คือธรรมะนี่ทำทานรักษาศีลภาวนานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วจิตใจก็จะค่อยจเจริญเติบโต ต, ตามลำดับของการเลี้ยงดูนี่คือจิตใจของพวกเราตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้อยู่ในระดับมนุษย์ ถ้าเราทําบุญทําทานรักษาศีล uh huh. เราก็จะขยับขึ้นไปสู่ระดับเทวดา uh huh. ถ้าเรารักษาศีลแปดด้านสมาธิเราก็จะขึ้นไประดับพรหม uh huh. ถ้าเรามีปัญญามองเห็นมีดวงตาเห็นธรรม uh huh. เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา uh huh. เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรา uh huh. ปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไระเราก็จะขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปแต่ถ้าเราปฏิบัติไปกลางทางเราหยุดปฏิบตัติก็เหมือนกับรถที่เรา ไม่เหยียบคันเร่งแล้วถอนคันเร่งพอถอนคันเร่งรถก็วิ่งไปไม่ได้รถมันก็จอดอยู่ที่เดิมถ้าอยากจะให้มันก้าวหน้าขึ้นไปก็ต้องเหยียบคันเร่งใหม่หรือถ้ามันกําลังขึ้นเขาอย่างนี้ถ้าปล่อยคันเร่งเดี๋ยวมันก็ถอยหลังลงมันไม่ขึ้นเขาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนขับรถขึ้นเขาถ้าเราหยุดปฏิบัติเมื่อไหร่นี้จิตเราจะเสื่อมทันที จิตเราจะถอยหลังทันทีทำที่เราได้มาเท่าไหร่มันจะถอยลงไปทำที่เราได้จากการทำมุนทาทานพอหยุดทามันก็จะถอยลงมาศีลที่เราเคยรักษาพอเราหยุดรักษามันก็จะทำให้จิตเราตกลงมาสมาธิเราเคยนั่งแล้วเราหยุดนั่งมันก็จะทำให้เราถอยลงมาปัญญาที่เราใช้ในการตัดในการปล่อยวาง พอเราไม่มีปัญญาเราก็ไปยึดไปติดไปนี่คือการปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงขั้นที่ไม่เสื่อมพอถึงขั้นโสดาบันแล้วดีก็สบายอยากจะพักสักระยะหนึ่งก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเหนื่อยก็อยากพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อ แต่ถ้าไม่ทำต่อก็มันก็จะอยู่แค่จุดนั้นขั้นนั้นมันจะขึ้นสูงไปไม่ได้มันต้องปฏิบัติต่อถึงจะขึ้นไปได้แต่ดีอย่างมันไม่ถอยลงมาถ้าเป็นโสดาบันแล้วมันจะไม่ถอยลงมามันจะเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาป็นอย่างมากจะไม่มากไปกว่า น, นั้นเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องขยันปฏิบัติต่อ แต่ถ้ายังเป็นปุตุชนอยู่ถึงแม้จะเป็นพรหมถึงแม้จะเป็นเทวดาเดี๋ยวมันก็เสื่อมกลับลงมาเป็นมนุษย์ได้เพราะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทำต่อทำต่อไปถ้าขึ้นไปแค่ระดับพรหมก็เดี๋ยวก็เสื่อมลงมาใหม่ถ้าไม่อยากจะเสืิมต้องขึ้นไประดับของโสดาบันก็ต้องระดับมีดวงตาเห็นธรรม ต้องเห็นไตรักต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าผู้รู้สึกนึกคิดก็ไม่ใช่ตัวเรา<ม>เป็นเพียงธรรมชาติแล้วเราก็จะสามารถที่จะหยุดความเสื่อมของจิตในระดับนั้นได้<ม>แล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่านั้นเราก็ต้องกําจัดนิวรตัวต่อไปคือ กามาราคะยังมีความอยากในการยังไม่ได้หมดด้วยการละสักกายทิฏฐิยังเห็นคนนั้นสวยคนนั้นหล่ออยู่เห็นเรายังอยากให้เขามาเป็นแฟนอยู่ยังอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับเขาอยู่ก็ต้องมองดูร่างกายของเขาให้ถ่องแท้มองให้ครบทุกสัตว์ทุกส่วนเดีย๋ยมองแต่เฉพาะข้างนอก ให้มองเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังพอมองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นอาการที่ไม่สวยไม่งามต่างๆเห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นสมองพอเนอาการเหล่านี้มันก็จะทาให้ความหลงที่คิดว่าร่างกายนี้น่าดูน่าชมหายไปหมด จะเห็นว่าเป็นศพเดินได้นี่เองเพียงแต่ยังหายใจได้พอหยุดหายใจเมื่อไหร่พอเป็นศพปับ๊บนี้ไม่มีใครอยากได้แนละ้วนี่คือการละสตายละการมาราคะกับกปฏิฆะความหดเย็ดใจมันมาด้วยกันพอมีการมาราคะมันก็จะมีความหดเย็ดใจขึ้นมานคนที่ต้องการแก้วความหดเหย็ดใจทางโลกก็เลยต้องไปหาแฟน พอมีแฟนก็หายหงวดหงิดงแต่เดี๋ยวก็จะมาทุกกับแฟนอกีกเดี๋ยวมาทะเลาะกับแฟนมีเรื่องกับแฟนมีปัญหากับแฟนหรือไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเกิดแฟนจากไปก็ต้องมาเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้วิธีแก้ปฏิฆะต้องแก้ด้วยอสุภะถ้าเห็นร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยงามความอยากได้ร่างกายเขามาเป็นแฟนก็ไม่มี พอเมื่ความอยากได้แฟนไม่มีความหงุดหงิดมันก็ไม่มีมันก็จะสามารถเลื่อนจิตขึ้นสู่ระดับอนาคามีได้สกิดาคามีนี้อยู่ตรงกลางคือละได้ครึ่งหนึ่งละการมราธะละความหงุดหงิดได้ครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าสกิดาคามีการวาละได้ครึ่งก็คือเห็นสุภาพเป็นบางเวลาไม่เห็นตลอดเวลาเวลาที่ไม่เห็นก็ยังเห็นว่าสวยอยู่ พอนึกถึงอสูภา่าได้ก็โอ้ไม่สวยไม่ไม่หลอ่อไม่น่าดูถ้าจะเห็นแบบไม่สวยไม่งามตลอดเวลาก็จะได้เป็นอนณาคามีไปจิตก็จะขยับขึ้นไปสูงขึ้นระดับอนณาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์ของเทวดาต่อไปแต่ยังไปเกิดในภพมโลกอยู่แล้วก็ต้องไปละสังโยชน์เบื้องบนอีกห้าข้อด้วยกันสังโยชตเบื้องบนก็คือ ความยึดติดในความสงบในฌานขั้นต่างๆนี่เอง uh huh. เพราะจิตที่เข้าสู่ระดับอนาคามีนี้จะเข้าสู่ฌานโดยอัตโนมัติ uh huh. จะมีฌานโดยอัตโนมัติ uh huh. จะมีรูปฌานอรูปฌานเป็นเครื่องอยู่แต่รูปฌานอรูปฌานมันก็ไม่เที่ยงบางทีมันก็จเจริญบางทีก็เสื่อมเวลาเสื่อมก็ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมา uh huh. ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์กับ การเสื่อมของรูปฌานก็ต้องพิจารณารูปฌานเหมือนกับพิจารณาร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรูปฌานอารูปฌานก็ต้องเสื่อมเหมือนกันก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อมมันเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปเวลามันเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมให้รู้เฉยๆไปใจก็จะไม่ทุกข์กับรูปฌานกับอารูปฌานกับความเสื่อม อันนี้ก็เป็นการละสังโยชน์ต่อไปนอกจากนั้นก็มีมานะการถือตัวก็อันนี้ก็คือความหลงความคิดที่ไปคิดว่าเราสูงกว่าเขาบ้างเท่าเขาบ้างต่ำกว่าเขาบ้างความจริงเราเหมือนกันหมดทุกคนนี่เหมือนกันหมดทำมาจากโรงงานเดียวกันมีอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกัน เองแต่ว่าเรามาต่างกันที่สมมุติเทนั้นเองเกิดเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็เป็นเศรษฐีตามพ่อแม่ไปเกิดเป็นลูกของขอทานแล้วก็เป็นขอทานตามพ่อแม่ไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นเป็นตัวสมมุติเราไปหลงสมมุติว่าเราสูงต่างเพราะเรารวยกับาเขาเราจนกว่าเขาหรือเรามีตําแหน่งสูงกว่าเขาอะไรต่างๆอันนี้ก็จะรู้ว่ามันเป็นเพียงสมมุติเราอย่าไปหลงสมมุติ อย่าไปคิดว่าเราสูงเท่ากับสมมุติตามที่เขาสมมุติ<ม>เขาตั้งเราเป็นนายพลในพันก็จะคิดโอ๊ยเราสูงกว่าเพื่อนที่เป็นนายร้อยนายสิบตามจริงเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่คือร่างกายจิตใจของเราก็ยังเหมือนเดิมต่างกันที่สมมุติเท่านั้นเอง<ม>อันนี้เราก็จะได้ไม่ถือตัวได้ปล่อยวางได้เพราะถ้าถือตัวแล้วมันจะทุกเวลาที่ ดูคนอื่นเขาดูถูกเหยียดยามเราเขาว่ามึงจนกว่ากูมึงอะไรก็เสียใจได้แต่ถ้าคิดว่าไม่มีใครต่ำกว่าสูงกว่ากันเหมือนกันหมดทุกคนเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันเป็นทาท่าเหมือนกันให้มองตรงจุดนั้นแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่หลงกับการถือตัวถือเราถือเขาอันนี่คือการละ สังโยชน์ตัวสุดท้ายก็อวิชากับอุทจัจจะเมื่อละตัวอื่นได้ก็ยังเหลือตัวสุดท้ายจิตก็ยังรู้สึกว่าไม่ไม่สุขเต็มที่ไม่เต็มร้อยก็พยายามคุยเขียหาว่าอะไรทําให้จิตไม่สุขเต็มร้อยคุยเคหยพิจารณามากๆก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ก็ต้องหยุดการพิจารณาชั่วข่าวพักจิตเข้าไปในสมาธิให้จิตสงบ พอจิตสงบแล้วก็มาพิจารณาใหม่ก็ในที่สุดก็จะรู้ว่าความที่รู้สึกว่ามันยังไม่อิ่มเขาบัญยังหิวอยู่มันยังอยากอยู่ยังมีความอยากอยู่เห็นไม่ว่าจะบัญญัติอยากอะไรก็ตัดมันไปเสียอยากไปอยากพอตัดความอยากที่หลงเหลืออยู่ในจิตได้หมดมันก็จะอิ่มเต็มที่อันนี้ก็เรียกว่ามีความมีวิชาที่มาล้างอาวิชา อาวิชาไม่รู้ว่ายังมีความอยากหลงเหลืออยู่ในจิตใจยังอยากไปนิพพานอยู่นี่ quint. พอไปอยากไปนิพพานมันก็ยังรู้สึกไม่สุขไม่อิ่มเต็ ม, ตมที่พอตัดความอยากไปนิพพานได้มันก็อิ่มขึ้นมาเต็มที่ ม, มันก็เลยได้นิพพานได้ด้วยการไม่อยากไปนิพพานถ้าอยากไปนิพพานมันก็จะไปไม่ถึงนิพพานพอไม่อยากปับ๊บมันก็ถึงเลยอย่างพระอรณนนท์นี่ พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าภายในสมเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วตอนนั้นอนอนท์เป็นโสดาบันอานอนท์เดี๋ยวหลังจากเราตายไปสามเดือนเธอก็จะได้ไปถึงนิพพานได้อ น, อนนท์ก็ดีใจรีบไปปฏิบัติก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆจากโสดาบันเป็นสกิราคามีเป็นอนาคามีละสังโยต่างๆได้เหลือตัวเดียวที่ละไม่ได้คืออวิชชา เธอไม่รู้ว่ายังมีความอยากอยู่เพราะมากังวลกับความพยากรของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเธอจะต้องบรรลุภายในสามเดือนอันนี้เคอนนี้เป็นคอนสุดท้ายแล้วก็ยังไม่บรรลุสักทียังไม่ยังไม่อิ่มใจยังไม่สุขใจเต็มที่สักทีก็เลยมาวุ่นฟุ้งซ่านกับความพยากรของพระเจ้ากับความเป็นจริงของตนตอนยังไม่บรรลุแต่พระเจ้าบอกว่าบรรลุ ใจก็เลยไม่อยู่ในปัจจุบันอยู่อดีตอยู่อนาคตอดีตก็คือคําพยากรณ์คําทํานายของพระเจ้าอนาคตก็คือนิพพานที่ยังไม่ได้มันก็เลยทําให้จิตมันมันไม่สงบเต็มที่ไม่สุขเต็มที่พอใกล้จะสว่างก็เลยปรงว่าคงไม่บรรลุแล้วพราะพุทธเจ้าของพยากรณ์ผิดแล้วก็เลยพักดีกว่าง่วงนอนครับ กำลังขณะที่กำลังจะนอนในท่าระหว่างท่านั่งกับท่านอนก็จิตก็เลยบรรลุขึ้นมาจิตปล่อยวางความอยากไปนิพพานได้ความอยากที่ขวางตัวไปนิพพานก็คือความอยากไปนิพพานเองพอละมันได้ปั๊บมันก็หายอยากไม่มีความอยากหลงเหลือในใจต่อไปใจก็อิ่มเต็มที่สุขเต็มที่เป็นบาลง เป็นบาร ม, มัสุขขึ้นมาเต็มที่เป็นบารมังสุขขังขึ้นมาอันนี้ก็คือวิธีทำจิตให้ถึงจุดที่ไม่มีวันเสือ่อมพอถึงจุดนะั้นแล้วก็ไม่มีวันกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บ ม, มาตายต่อไปเพราะไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้แล้วไม่อยากได้อะไรจากโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศจะลรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่ในโลกนี้สามารถที่จะมีได้เกิดอะไรไม่ต้องกลับมาเกิดต่อไปถ้ายังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ยังต้องกลับมาเกิดเดี๋ยวนี่ก็คือเรื่องของจิตเสื่อมจิตไม่เสื่อมจิตเสื่อมเพราะเราไม่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันก็จะไม่เสื่อมฉะนั้นต้องพยายามปฏิบัติไปเรื่อย ถ้าเหนื่อยบ้างก็พักบ้างก็ได้แต่อย่าหยุดอาจจะผ่อนบรรทัพผ่อนคันเร่งหน่ อ, ย, อยียบร้อยหนึ่งก็ผ่อนมาแค่ห้าสิบก่อนก็ได้อย่างน้อยก็ประครับประคองให้มันวิ่งไปเรื่อยๆก่อนอย่าไปเหยียบเบรคปิดเครื่องแล้วก็นอนตามรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันสู้ไม่ไหวแบบสู้แบบสุดๆไม่ไหวก็เอาลดความเข้มข้นลงมาบ้างสลับกันไปตามวาระ ตามจังหวะของชีวิตบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะปฏิบัติไม่ได้เต็มที่ก็ผ่อนเบาหน่อยแต่บางทีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้อาจจะเป็นเวลาที่ต้องปฏิบัติมากก็ได้เพราะเป็นเวลาขึ้นเวทีแล้วเวลาขึ้นไปทําข้อสอบแล้วเวลานั้นก็อาจจะผ่านได้ถ้าตามปกติถ้าร่างกายปกติมันไม่มีข้อสอบมันยังไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนี่มันเหมือนมีข้อสอบมาให้เราต้องทำแล้วต้องดูว่าเราทําใจให้สงบกับมันได้หรือเปล่าไม่ไปทุกข์กับมันได้หรือเปล่านี่นี่ก็คือเรื่องของจิตเสื่อมไม่เสื่อมอยู่ที่การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินั้นก่อนที่จะเสื่อมมันต้องปฏิมันต้องเจริญก่อนถ้ามันยังไม่เจริญมันไม่มันไม่เสื่อมแล้ว มันเสื่อมสุดๆอยู่แล้วมันอยู่ชั้นชั้นล่างแล้วมันไม่มันไม่ตกลงมาต่ำกว่านั้นหรอกให้มันตกลงมาต้องขึ้นไปชั้นสูงก่อนพอขึ้นไปชั้นสูงเดี๋ยวเผลอก็เดินตกบันไดล้มล่วงลงมาได้เนะงั้นก่อนที่จิตจะเสื่อมได้ต้องทำให้มันเจริญก่อนพอมันเริ่มเจริญแล้วก็ต้องรักษาอย่าให้มันเสื่อมพระเจ้าเจ้ายังสอนว่าให้มันทาความเพียร ความเพียรอันดับแรกก็คือเพียรรักษาความเจริญอย่าให้มันเสื่อมพอรักษาความเจริญความความเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมได้ขั้นที่สองก็เพียรทําให้มันเจริญมากขึ้นเพิ่มความเจริญมากขึ้นนี่คือการปฏิบัติรักษาความเจริญไม่ให้มันเสื่อมแล้วก็เพิ่มความเจริญปฏิบัติมากขึ้นถ้ายังอยู่ขั้นที่หนึ่งก็พยายามจะให้มันขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปตามลําดับ นี่คือการปฏิบัติท่านถือแนวนี้แนวรักษากับแนวส่งเสริมขั้นต้นต้องรักษ า, าจิตที่เราได้มาไม่ให้มันเสื่อมขั้นที่สองต้องส่งเสริมให้มันจเจริญขึ้นกว่าเดิมมันถึงจะไปถึงจุดสูงสุดได้าแล้วนะก็คิดว่าฝนก็หยุดพอดอีเมื่อกี้ก็ให้พรอแล้ว ก็ขอพักสักเดียวเดี๋ยวจะมีการถามตอบปัญหาทามอีกช่วงหนึง่งยังไม่ไปนหนกันเหรอไม่ไปไายก็ยะได้ต่อมีคำถามอะไรเข้ามาเอาเดี๋ยววันนี้เข้ามาเท่าไหร่ก่อนดูสถิติก่อนวันนี้ทางเฟ c บุ o ก k 3 6ร้อยหกสิบสาูทูป วิทยุออไลน์สิบเรับฟังบนข่าว26สิบหรวมห้า้อยเก้าสบดค่ะวันนี้หนีเรียนหลายคนนะธรรมดาต้องห0ร้อขึ้นไปเนือเจ็ดร้อยบางวันก็เจ็ดร้อยแต่ห้าร้อยนี่แสดงว่ามีการหนีเรียนมีใครอยากจะถามคำถามไหมหถ้าอยากจะถามอะไรก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ ทางแถวสิงคโปร์อยากจะถามปัญหา Speak to the mic เมื่อวันนี้ผมภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตมันตุ้มแบบตกอยู่ในน้ำอย่างนี้คตกไปในน้ำเหรอครับน้ำบ่อแล้วก็ตกบอ่อดีก็จิตก็สงบไหม สงอบอยู่ครับอแล้วตั้งกใยก็มุนมุนมุนไปอย่างนี้มุนแล้วก็นิ่งแล้วก็ให้มันนิ่งนานๆเวลามันนิ่งอย่าไปทําอะไรใช้สติคอยควบคุมอีกครั้งหนึ่งมันตุม อ, อีกครั้งหนึ่งแต่มันจะตกอีกครั้งก็ได้ไม่ตกก็ได้บางทีมันไม่ตกมันก็สงบแบบไม่ตกก็มี สงบแบบตกก็มีครับได้ขอให้รู้เฉยๆขอให้รู้ว่ามันสงบมันนิ่งมันสบายมันไม่คิดก็พยายามให้มันอยู่กับบันแบบนั้นไปเรื่อยๆถ้าให้มันเป็นได้ทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีครับแต่มันออกเองนะมันออกจากอนั้นเองครับเราไม่ได้อะไรแต่พอเราไม่นั่งสมาธิมันก็ออกมา พอเราคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ออกมาครับถ้าอยากจะให้มันกลับเข้าไปใหม่ก็ต้องทำใหม่ครับมันไม่กลับเข้าไปเองเราต้องทำใหม่เราต้องนั่งสมาธิใหม่ครับต้องดูลมหรือพุทโธต่อเดี๋ยวมันก็กลับเข้าไปใหม่ครับเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาออกมาแล้วมันก็จะวุ่นวายก็ให้มันกลับเข้าไปใหม่ครับ ตอนต้นนี้ฝึกสมาธิก่อนแล้วขั้นต่อไปค่อยฝึกปัญญาเวลาออกมาใจวุ่นวายก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางเรื่องที่ทําให้ใจวุ่นวาย <Yeah. S 1> วุ่นวายกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องปล่อยเขาเขาจะว่าเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับเขา mm hmm. เราเฉยๆไปฟังไปเฉยๆก็เน mm ี hmm. ่ yeah. อย่าไปอยากให้เขาไม่พูดอย่าไปอยากให้เขาพูดดีพอเขาพูดไม่ดีเราก็จะเสียใจวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าฟังก็ฟังด้วยเหตุผลถ้าเราทำอะไรไม่ถูกเขาบอกเราเราก็แก้ไขให้มันถูกเ mm. ้านั้นเองก็จะไม่มีปัญหาถ้าเราไม่แก้ไขเขาก็จะพูดอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่แก้ไขก็อาจจะบอกให้เราไปอยู่ที่อื่นก็ได้ mm. เพราะเราไม่ทา ถูกตามกฎระเบียบเขาอย่างนี้แต่ถ้าเราทําถูกกฎระเบียบก็อยู่ต่อไปแต่ถ้าขา้าวแม่เราอยู่จริงๆเราต้องไปเราก็ไปอทำไงได้ถ้ามันไม่ใช่เป็นที่ของเราเป็นที่ของเขาเขาไม่อยากให้เราอยู่เราก็ไปเราก็ไปหาที่ใหม่อยู่หาไปเรื่อยๆจน ก, กว่าจะหาที่อยู่ได้มีคําถามนะ นัดจุงฝากคําถามกาบเบียนพระอาจารย์เจ้าค่ะเปิดไม้หรับ สืบเนื่องจากคําถามครั้งก่อนที่น้จุ๊บถามเกี่ยวกับเรื่องตอนฟังเทศเจ้าคะ่ะที่ที่ควรมีสติอยู่กับการฟังไม่ควรที่จะพิจารณาทำในจังหวะนั้นที่พระอาจารย์ตอบแต่น้จุ๊บก็เลยเหมือนกับคล้ายๆกับว่าแล้วแล้วสิ่งที่อยากจะพิจารณาจะให้พิจารณาตอนฟังทําจบจะลืมไหมเจ้าคะ่ะหรือว่าเราควรจะยังมีสติอยู่กับฟังไม่ต้องพิจารณาเลยอ๋อคือถ้าเราฟังเราก็ต้องพิจารณาตามที่เขาแสดงไว้ เช่นกำลังแสดงเรื่องสมาธิว่าทำสมาธิอย่างไรเราก็ต้องคิดตามเข้าไปเราถึงจะเข้าใจถ้าเราฟังแบบไม่คิดเราก็จะไม่เข้าใจอันนี้หมายถึ ง, ถงฟังให้เกิดปัญญาไอ้ไไที่ที่ว่า ใช่ครับท่านพราจารย์ครับแล้วตอนที่ระหว่างที่พอท่านฟังท่านพระจาแล้วพอมันคิดไปด้วยเนี่ยมันทําให้ขาดตอนช่วงที่ได้ไ ด, ได้ฟังไม่มันก็คิดนะมันก็คิดตามไปเลยไงถ้าคิดเรื่องเดียวกันมันก็ไม่ขาดตอนเะมั้นเราบอกว่าคนเดินไปทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนก็คิดตามนึกภาพไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาคุณก็คิดตามไปนี้เลี้ยวพิจนาตามได้แต่ถ้าเราบอกให้ไปถึงไฟแดงเลี้ยวขวาคุณไปคิดเรื่องร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเป็นคนละเรื่องไปแล้วมันก็จะไม่เข้าใจเรื่องที่กำลังฟังอยู่แต่ถ้าเราคิดตามเรื่องที่เขากำลังพูดอยู่เราก็จะได้เห็นภาพชัดเจนเพราะถ้าเราไม่นึกขึ้นมาใจมันจะไม่เห็นภาพเราต้องนึกตาม นึกถึงว่าเนี่ยขับรถจากนี่ไปถึงสุขุมวิทเนี่ยแล้วก็นึกเห็นภาพสุขุมวิทขึ้นมาถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสัตหีบเลี้ยวขวาก็ไปพัทยาเนี่ยอันนี้คิดตามอย่างนี้เวลาคนเขาบอกทางเราก็ต้องคิดอย่างนั้นถ้าเราไม่ น, นึกภาพไม่ออกเราก็ยังต้องถามว่ยังไงนะพูดใหม่สิทีนี้ถ้าเวลาแสดงทำบางทีมันถามไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันผ่านไปก่อนถ้าไม่เข้าใจช่วงนั้นก็ปล่อยมันไปก่อน เพราะเรานึกภาพตามไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีข้อมูลพอที่จะมารับรับทำความรู้ที่กำลังแสดงได้ก็ต้องฟังแบบแบบสมาธิไปฟังแบบฟังเสียงไปหรือลองฟังแล้วคิดตามเรื่องอื่นต่อไปอาจจะมีเรื่องต่อไปที่เราอาจจะคิดตามได้เราก็คิดตามต่อไปถ้าคิดตามไม่ได้ก็ฟังไปเฉยๆฟังเสียงไปเฉยๆอย่าไปคิดเรื่องอื่น ให้อยู่กับการฟังฟังแบบสมาธิก็ฟังเสียงไปถ้าฟังแล้วนึกภาพตามได้ก็ฟังแบบปัญญาไปคําว่าพิจารณาก็คือนึกภาพที่บอกพูดถึงอสุภาษณ์อาการ 3-2 เราก็ต้องนึกภาพตามที่เราพูดเห็นกะโหลกศีรษะอย่างนี้เห็นโครงกระดูกเนี่ยเราต้องพิจารณาถ้าเราไม่นึกตามมันมองไม่เห็นไงมันไม่เห็นภาพเพระใจยังเข้าใจ คือการฟังธรรมแบบปัญญาต้องนึกภาพตามที่เขาพูดให้ฟังให้พิจารณาสุภาพหรือว่าร่างกายไม่สวยงามต้องดูเข้าไปข้างในถ้ามองข้างในก็จะเห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกเราพอพูดกระโหลกศีรษะเราต้องนึกถึงมันนะพูดถึงโครงกระดูกเราต้องนึกถึงภาพนั้นนะพูดถึงปอดหัวใจถ้าเราไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้มาก่อนเราก็จะนึกตามไม่ได้ นึกตามไม่ได้เราก็ต้องไปศึกษาไปดูภาพไปดูเขาผ่าศพนี่เราก็จะเห็นภาพแล้วก็พยายามมานึกอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะเวลาฟังธรรมเขาพูดพูดแต่กสุภาพปัพ๊บแล้วก็เห็นเห็นทั้งทั้งทั้งหมดเลยีนนะให้นึกถึงภาพของธรรมที่เขากำลังแสดงอยู่อย่าไปนึกถึงเรื่องอื่น ถ้าไปนึกถึงเรื่องอื่นมันก็เป็นคนละเรื่องกันไปเช่นถ้าเราไปนึกถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแต่เราพูดถึงเรื่องอสุภะมันไปคนละเรื่องละมันก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังถ้าเราอยากจะพิจารณาเองเราก็อย่าไปฟังทำเช่นเวลาที่เราเดินจมกรมนี่เราอยากจะพิจารณาร่างกายส่วนไหนแบบไหนแล้วก็พิจารณานึกไปตามนึกภาพไปตามที่เราต้องการ แต่ในขณะที่ฟังธรรมถ้าเราอยากจะได้ความรู้จากธรรมที่เราได้ยินเราก็ต้องนึกภาพตามที่เขาแสดงไว้ถ้านึกตามไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังขาดปัญญาที่จะไปเกิดความเข้าใจได้เช่นคนบางคนสอนเขาบอกวิธีทานู่นทานี่บอกไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะมันนึกภาพไม่ออกอันนก็แสดงว่าต้องสอนวิธีที่ง่ายกว่านั้น บางทีนึกภาพไม่ออกก็ต้องเขียนกระดาษให้มันดูเลยใช่ไหต้องเขียนแผนที่เลยไหมถึงจะเห็นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคนที่รับฟังนี่มีปัญญามากน้อยเพียงไรบางคนนี่พูดคาเดียวเข้าใจเลยไม่ต้องขยายความบางคนต้องขยายความต้องวาดภาพสร้างภาพขึ้นมาถึงจะเห็นภาพถึงจะเข้าใจ งั้นการแสดงธรรมนี้ก็ถ้าคนที่วาดภาพเก่งๆ่ะจะช่วยให้คนที่ฟังคนที่นึกภาพไม่ออกนี้จะเข้าใจได้ง่ายเขาถึงยกย่องว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นเลิศในการแสดงธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถ้าสอนชาวนาชาวไร่ก็จะยกตัวอย่างเช่นเอาการไถานาเอาการหวานผลผลบุบบานมเมล็ดกอะไรต่างๆ แล้วทําให้ต้นไม้จเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นการเปรียบเทียบเรื่องของจิตใจกับสิ่งที่ชาวนาชาวไร่เข้าใจได้ถ้าเป็นตํารวจเขาก็จะพูดเรื่องของตํารวจยกตัวอย่างเรื่องของตํารวจตํารวจจับผู้รายปัญญาก็เหมือนตํารวจคอยจับผู้ร้ายก็คือกิเลสตันหา้าเที่ยววมาสร้างความไม่สงบให้กับจิตใจอันนี้ก็เป็นความสามารถของผู้แสดงธรรม ที่สามารถวาดภาพต่างๆให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมได้ต้องมีภาพวาดให้เห็นเขาบอกว่าปัญญาจับกิเลสมันไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าปัญญาเหมือนตำรวจกิเลสเหมือนเหมือนผู้ร้ายเหมือนโจรนี่มันก็จะเห็นภาพชัดเจนเออทําทำไมถึงต้องมีปัญญาทำไมใจไม่สงบเพราะกิเลสมันก่อกวน เนกับสังคมทำไมไม่สงบเพราะผู้ร้ายมันมาคอยก่อกวนความสงบของของสังคมก็เลยต้องมีตํารวจมาคอยกําจัดเหมืนจับผู้ร้ายเข้าคุกเข้าตารางจิตใจไม่สงบก็เพราะกิเลสตัณหาทําให้จิตใจวุ่นใช่ไหมทุกวุ่นวายเพราะความอยากต่างๆความโลภต่างๆพอเอาปัญญามาจับมันปั๊บเนี่ยความโลภหายไปความอยากหายไปใจก็สงบขึ้นมา อันนี้ต้องมีการเอายกตัวอย่างมีการวาดภาพให้ผู้ฟังได้เห็นเพราะว่าหลักธรรมบางทีมันเป็นคำพูดที่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะปัญญามันมีหลายความหมายปัญญาที่เราใช้ทางโลกก็เป็นปัญญาปัญญาที่ใช้ทางธรรมก็เป็นปัญญาแต่มันคนละเรื่องปัญญาทางโลกก็คื อ, อถ้าเป็นพยาบาลก็รู้จักวิธีรักษาแผลวิ วิธีฉีดยานั้นก็เป็นปัญญาเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นปัญญาที่เราพูดถึงในธรรมปัญญาในธรรมก็คือวิธีทำให้ใจหายอยากหายโลก <Yeah. S 1> ต้องเห็นอะไรต้องเห็นตรัก <Yeah. S 1> ตาตรักก็ต้องมาอธิบายขยายความอีกอันนี้จังเป็นยังไงไม่เที่ยงเป็นยังไงมันทุกข์ทุกข์อย่างไร <Yeah. S 1> มันอนัตตามันไม่ใช่เราของเรามันเป็นอย่างไรมันต้องอขยายความอีกอันนี้มันยากตรงนี้ ถ้าคนที่เก่งๆเงนี่ยพูดแล้วมาเล่ามาขยายความคนที่ไม่มองไม่เห็นภาพก็จะเห็นภาพขึ้นมาทันทีวัยเห็นภาพมันก็จะฝังอยู่ในใจมันจะเข้าใจอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองค่ะแล้วมันจะไม่ลื ม, มเออเข้าใจยังอ่ามีคําถามต่อบไปไหมครับเอ่อ ใกล้ๆปากหนที่กอ่าใกล้ๆปากหนที่บอกว่าอ่จิตตอนที่ังสมาธิอะค่ะีบิ่งเฉยๆรู้ลงไปคือการมิ่งเฉยๆลงไปอย่างนั้นจิตก็ันได้จริงฮะไม่ได้ยินพูดดังๆหน่อยมตอนที่สมาธิอะค่ะแล้วี่บอกว่าอ่จิติ่งเฉย มันก็เหมือนกันอ่ะมันวิธีเข้ามันก็เหมือนกันอ่ะมันก็สงบเหมือนกันอะมันมีได้หลายแบบสงบแบบพรวดพาดแบบตกลุมตกบ่อสงบแบบเครื่องบินค่อยๆล่อนลงค่อยๆระดับเลื่อนลงมาทีขั้นเดี๋ยวมันก็ไปจอดนิ่งที่ลานจอดเหมือนกันอะแมันก็สงบเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันการที่จะทำให้จีกรวม ได้เร็วๆอะค่ะคือต้องพุทโถีถีหรือว่าไม่ต้องมีสติต่อเนื่องมันไม่ได้อยู่ที่ถี่หรือช้าหรอกแล้วก็ต้องอย่าไปบังคับอย่าไปยัดมันเข้าไปในความสงบอยากให้มันสงบแล้วมันจะไม่สงบต้องเพียงแต่คอยตะล่อมมันเข้าไปคอยตล่อมอย่าให้มันไปนอกนู่นนอกทางนะให้มันเข้าไปในรางเหมือนกับรางที่จะพาให้มันเข้าไปสู่ความสงบ แต่เราจะไปะยาติมันเข้าไปด้วยการเร่งใช้พุโทโธพุโทโธอย่างนี้ไม่ได้เพียงแต่คอยคอยตล่อมอย่าให้มันออกนอกกลางทนั้นเองอย่าให้มันคิดให้มันให้มันรู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปรู้อยู่กับลมไปช้าก็ได้เร็วก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่อย่าไปทำด้วยความอยากถ้าอยากแล้วตัวความอยากนี้จะเป็นตัวที่ไม่ให้ใจมันเข้าไปในความสงบมันจะเป็นขวางอยู่ <Okay. S 1> คำถามจากคุณธีรชัตดกลับนมันส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ว่าความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นอยู่ที่ระดับสังขารเท่านั้นหรือครับ mm hmm. เมื่อแก่ตัวลงถึงขั้นอาจลืมลูกตัวเองได้แล้วการบรรลุธรรมนั้นไปถึงวิญญาณหรือครับถึงไม่มีการลืมเลือนอีกต่อไปทําอะไรนะกรรมเลยบรรลุธรรมเจ้าค่ะ เขาบอกว่าการบรรลุธรรมนั้นไปถึงวิญญาณหรือครับถึงไม่มีการลืมเลือนอีกต่อไปก็มันอยู่ในจิตนะครับจิตก็คือตัวดวงวิญญาณเนี่แหละเวลาร่างกายตายไปสิ่งที่อยู่ในจิตมันก็ยังอยู่ในจิตเดอยูอเหมือนคนย้ายบ้านคนจบปริญญาตรีที่กรุงเทพนะคนย้ายไปอยู่เชียงใหม่ปริญญาตรีมันก็ยังติดไปกับคนอยู่มันไม่ได้อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่ตัวคุนระดับธรรมต่างๆมันอยู่ในจิตเนี่ย โสดาบันสกิดาคาเมีนี้มันอยู่ในจิตมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายพอทิ้งน่่งกายไปโสดาบันก็ยังอยู่ในจิตอยู่มันไม่ได้หายไปแม้แตเทวดาการเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมมันก็ไม่หายเพียงแต่ว่ามันมันมีวันเสื่อมได้เสื่อมจากจิตไปได้แต่ความเป็นอริยะบุคคลนี้มันไม่เสื่อมไปจากจิตได้แล้วได้เลย แต่ถ้าได้เป็นพมแล้วเดี๋ยวมันเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพมันจะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าได้โสดาบันแล้วมันจะไม่เสื่อมมันจะเป็นโสดาบันแต่มันอาจจะเป็นโสดาบันในคราบของมนุษย์ก็ได้ครอบของเทพก็ได้แต่ใจมันไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาแล้วมันเป็นโสดาบันแลวส่วนอนาคามีน้จาม ไม่อยู่ในคาบของมนุษย์ไม่อยู่ในคาบของเทวดาแล้วจะอยู่ในคาบของผมเออส่วนพระอรหันต์นี่ไม่อยู่ในคาบของภพไหนเลยเ อ, อ, อยู่นอกภพและอยู่ในอยู่นิพพานแทงนิพพานก็คือที่อยู่ของจิตที่ไม่ได้อยู่ในไตภพออนอกเหนือไตภพเรียกว่านิพพาน คำถามจากคุณขวัญเวลานั่งสมาธิระหว่างบริกรรมพุทโธกับเอาความรู้สึกไปสํารวจร่างกายหัวจรวดเท้าเราควรทําอย่างไรดีคะทุกวันนี้สับสนค่ะบางวันก็พุทโธบางวันก็สํารวจร่างกายควรทําอย่างไรดีคะก็ควรที่จะเอาให้อยู่กับอารมณ์เดียวเวลานั่งสมาธินี้ถ้าพุทโธได้ก็พุทโธไปถ้งพุทโธไม่ได้ก็ให้ดูลมไป แต่ยาไปสำรวจสำรวจนะมันจะไม่นิ่งจิตมันทำงานเราต้องการให้มันหยุดทำงานแต่ถ้ามันตอนต้นมันยังไม่นิ่งมันยังฟุ้งซ่านก็ให้มันสารวจร่างกายไปก่อนก็ได้เป็นการคล้ า, ายๆว่าเอาแรงของความฟุ้งซ่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มันมาสารวจร่างกายแทนที่จะไปคิดถึงงานการคิดถึงเงินทอง คิดถึงคนนั้นคนนี้กล้มาคิดถึงร่างกายอาการ32ไปก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนทั้งรู้สึกว่ามันเริ่มสงบมันไม่มันไม่ฟุง้งซ่านมันไม่คิดอะไรแล้วก็ค่อยหยุดการดูร่างกายมาดูที่ลมหายใจมาดูที่จุดเดียวหรือจะดูอาการใดาอาการหนึ่งของ32อาการก็ได้ เช่นเพ่งดูโครงกระดูกก็ได้เอาอาการเดียวอย่าให้มันเคลื่อนไปอาการอื่นให้อยู่กับอาการใดอาการหนึ่งแทนลมก็ได้ดูโครงกระดูกแทนลมก็ได้ดูกระดูกศีรษะแทนลมก็ได้เราดูมันทุกวันแต่มองไม่เห็นเน่ยดูหน้ากระจกทุกวันนะมันซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเราเนี่ยลองลองดึงมันออกมาจากผิวหนังดูลองฉีกผิวหนังออกมา ห, หนังเรานี่ก็คือหน้ากากดีๆนี่หน้ากากหนังนะสมัยนี้ก็มีหน้ากากยางใช่ไหมพวกภาพยนตร์นี่เดี๋ยวนี้เขามีการแปลงหน้ากันได้ทําหน้ากากยางครอบปั๊บกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยเราก็เป็นเราก็มีหน้ากากหนังเราไม่เห็นหน้าแท้ของเราหน้าแท้ของเราพอพอถลกหนังออกมาก็จะเห็นหน้าแท้ของเรา หน้าททงของเราก็คือกระโหลกไงตาบุ่มเลยมีรูใหญ่ๆสองรูะฮะก้างอก่อนอ่านั่นแหละต้องไว้บวดให้เหลือแต่ให้เหลือแต่กระโหลกเนี่ยก็จ ะ, ะแต่เวลานั่งสมาธิต้องให้มันอยู่เรื่องเดียวจุดเดียวดูลมก็ดูที่จุดเดียวอย่าตามนมเข้าตามลมออกดูที่ปลายจมูกตรงที่นมสัมผัสเข้าออก ตรงที่มีความรู้สึกของลมอ่ะก็ดูมันตรงนั้นไม่ต้องไปตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปบังคับให้ลมมันหายใจสั้นหรือหายใจยาวมันจะสั้นก็ให้รู้ว่ามันสั้นมันจะยาวก็รู้ว่ามันยาวอย่าไปทำงานอย่าอย่าใช้จิตทำงานให้ใช้ให้จิตนั่งดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยนี่แหละคือที่จุดนิ่งของจิตก็คือให้รู้เฉยเฉยพอไปคิดมันก็ทางานทันทีมันก็จะไม่นิ่ง แต่ตอนต้นถ้าเอาความคิดมาคิดเพื่อหยุดความคิดที่ไม่ดีก็ใช้ได้ถ้ายังคิดถึงแฟนคิดถึงลูกห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ก็เอาให้มันมาคิดทางร่างกายก็ได้มามามาดูอาการ32แทนคิดถึงอาการ32แทนพอคิดภัสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ลืมเรื่องที่เราวิตกกังวลเราก็หยุดคิดได้แล้วเราก็ดูอาการใดอาการหนึ่ง จะดูกระดูกก็ได้ดูกระโลกศีรษะก็ได้ดูหัวใจก็ได้ดูปอดก็ได้ดูลำไส้ก็ได้แล้วแต่เราอยากจะดูอะไรจะดูอาการเดียวแล้วเพ่งอยู่กับอาการนั้นไปจงการจิตจะสงบคําถามจากคุณโมนาเทวดารบกวนมนุษย์ได้เหรือคะไม่รู้เหมือนกันนึงมาถามเราทำไมอะไรวะก็มัน ไม่รู้เหมือนจะพูดยังไงนะ <laughs> คำถามจกคุณริกกี้ดีค่อนข้างยาวนิดหนึ่งค่ะ ข้อสงสัยมาจากในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นครับตอนที่หลวงปู่นั่งภาวนาอยู่เชียงใหม่พบดวงวิญญาณหญิงสาวและสามเณรที่สร้างเจดีและตายลงก่อนสิ่งที่สงสัยคือคนที่จะมีศรัทธาถึงขนาดสร้างเจดีเหตุใดหลังตายลงจิตจึงตกต่ำถึงขนาดไปเป็นดวงวิญญาณได้ทั้งทางที่ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเลยทําไมบุญที่สร้างและกุศลเจตนาจะไม่สามารถพยุงหรือช่วยให้รอดพ้นจาก คติภูมิครับเพราะความยึดติดในสิ่งที่กำลังสร้างอยู่มันเลยมีมันเป็นเหมือนกับเป็นกำแพงขวางบุญที่เราจะไปรับเชน่นถ้าเราทำบุญทำทานเราควรจะไปเป็นเทวดาแต่ใจเรามันะวงอยู่กับ i g เจดีนี้สร้างมันยังไม่เสร็จเป็นห่วงคิดถึงมันอยู่เรื่อย แไอตัวความคิดถึงเจดีเนี่ยมันเลยขวางไม่ให้ไปรับผลบุญของเทวดาแต่พอหยุดไอตัวนี้ได้มันก็ไปรับผลบุญทันทีพอฟังเทศฟังธรรมหลวงปูม่ม่นเสร็จหลวงปูม่ม่นบอกให้ปล่อยวางหมดหน้าที่เราแล้วเราทําอะไรกับเจดีนั้นไม่ได้แล้วเราทําเท่าที่เราทําได้แล้วขอให้เรามีความยินดีพอใจกับการกระทําของเราส่วนมันจะเสร็จไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วไม่ใช่เรื่องของเรา พอเขาเข้าใจเขาก็ปล่อยพอปล่อยดวงวิญญาณเขาก็เลยไปเป็นไปไปเป็นเทพต่อไปเหมือนผ้าที่มาติดกับจีวรของตัวเองบวชเป็นผ้ามาต้องนานน่าจะไปสวรรค์ชั้นไหนแล้วไปไปถ้าสมาธิก็ไปเข้าชั้นพรมได้นะแต่มารักจีวรมาคิดถึงจีวรห่วงจีวรห่วงจีวรก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรเนี่ย แต่เกาะได้ไม่นานพอตัวเลนตายไปก็รู้ว่ากลับมาก็ไม่สามารถที่จะมาใช้จีวรอ น, อ น, นี้ได้แล้วก็เลยต้องยกให้คนอื่นไปใครจะเอาไปก็เอาไปตัวเราก็ไปต่อก็เลยไปสู่ระดับบุญที่ได้ไดไดทำไว้ต่อไปได้อุปทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะทำให้จิตวนเวียนอยู่กับเรื่องนั้นไปอย่างเศรษฐีนี่ เศรษีที่หาเงินมาได้มากน้อยเพียงไรไม่บอกใครว่ า, เ, าเก็บไว้ที่ไหนเอาไปฝังดินหมดลูกก็ไม่บอกหวงสมบัติพอตายไปความห่วงสมบัติก็กลับมาอยากจะมาอยู่ใกล้ๆสมบัติก็ต้องกลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านะเพราะเป็นหมามันเกิดได้เร็วที่สุดเนี่ยพราะในบ้านไม่มีใครมีแต่งงานไม่มีใครมีลูกมีอะไรก็เลยต้องมีหมาก็เลยมาเกิดในท้องหมา พอเกิดมาแล้วเป็นหมาแล้วพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็นก็รู้ว่านี่คือเจ้าของบ้านก็เลยบอกลูกว่าเอ้นี่พ่อของพวกเธอคือหมาตัวนี้นว่าเขาห่วงสมบัติคอยดูแลหมาตัวนี้ให้ดีอยากให้มันตายเรือให้มันเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไปขุดคลวยหาสมบัติให้พวกหนูเองเดี๋ยวมันเข้าไปพอมันมีกําลังมังชามันก็จําที่ได้เพราะมันเป็นคนไปฝังไปเก็บเอาไว้เอง พงลูกลูกอะไรศรัทธาเชื่อคำสอนพระเจ้าเนี่ยนี่ก็คือความห่วงเพื่ออะไรดึงไว้ไม่ให้ไปรับผลไปเกิดต่อถ้าได้ทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าทำบาปก็ไปไปอบายแต่มันก็เยื่ยนเหนี่ยวรั้งได้ชั่วระยะหนึ่งท่านเองเดี๋ยวมันก็หมดกำลังพอเป็นหมาตายไปปับ๊บมันก็รู้ว่าสมบัตินี้ไม่ง่ายก็เป็นของตนเองไม่ได้นะ ปล่อยพอปล่อยมันก็ถูกบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ฉุดลากไปต่อไปคำถามจากคุณวิมีคนสงสัยถามว่าชาติหน้ามีจริงไหมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอฟังธรรมจากพระอาจารย์ด้วยกันเลยค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยตอบพูดที่สงสัยด้วยเจ้าค่ะก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็จิตมันไม่ตายน่ร่างกายมันตายแต่จิตไม่ตาย จิตหนึ่งก็เลยต้องไปเป็นอะไรต่อไปตามบุญตามบาปที่ทำไว้ช่วงที่ยังไม่ได้ร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณถ้าดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เป็นเทวดาเป็นสวรรค์ถ้าดวงวิญญาณมีความทุกข์ก็เป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นนรกแล้วพอบุญกับบาปที่ทำให้ไปนั้นหมดกำลังลงก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ก็มาเกิดใหม่ กาเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แต่นิสัยอันเดิมเคยรักเคยชอบอะไรก็ยังมารักชอบเหมือนเดิมใครถนัดมือขวามือซ้ายก็จะกลับมาถนัดมือขวามือซ้ายเหมือนเดิมคนเคยพูดแบบไหนก็พูดแบบเดิมเชื่อไหถ้าเกิดไปพบหน้าไปเจอกันถึงแม้หน้าตาไม่ได้เป็นคนนี้แล้วแต่พอได้ฟังเสียงมันจะรู้มันจะจำได้ว่าไอ้คนนี้กูเคย เ, เพราะวิธีพูดมันไม่เปลี่ยน ลองสังเกตดูเนี่ยคนเราสมมติเพื่อนฝูงที่ไม่เคยเจอกันสักยี่สิบสามสิบปีมาเจอกันเห็นหน้าตาจะจําไม่ได้นะเพราะหน้าตามันเปลี่ยนแต่พอเราได้ยินเสียงมันพูดนะจําได้เลยมันพูดแบบนี้หัวเราะแบบนี้วิธีพูด ต, าต่างๆนี่วิธีแสดงออกทางวาจามันไม่เปลี่ยนแต่เรื่องของรูปล่างหน้าตามันเปลี่ยนะมันแก่ไปตามวัยของมันอา จ, จะจําไม่ได้เลยก็ได้ แต่พอได้ยินเสียงได้ได้ยินเสียงได้ได้ดูท่าทีทำนองของการพูดของการกระทำอะไรต่างๆนี้มันจะจำได้ทันทีเพราะมันมีอยู่ในฝังอยู่ในสัญญาของเราคำถามจากคุณวันมีสองข้อคะ่ะข้อที่หนึ่ง หลายปีก่อนทะเลาะ ก, กับลูกแล้วพลั้งปากตะโกนด่าออกไปด้วยความโมโหมากและในเวลานั้นรู้สึกเช่นนั้นจริงๆว่าขอให้ตกนรกหมกไหมและได้ลืมเรื่องนี้ไปแล้วจนมีเหตุให้ระลึกเหตุการณ์นั้นได้ตอนนี้กลุ้มใจไม่น่าพูดแบบนั้นไม่ทราบว่าถ้าเราพูดเอาโหสีกับลูกจะได้ไหมคะหรือต้องแก้ไขเช่นไร คือการอโหสินี้ก็เป็นการเพียงแต่แก้ปัญหากับบุคคลนั้นคือถ้าเรายอมรับผิดเ่าอาจจะคลายความโกรธกับเราก็ได้คลายความมาค่ายพยาบาทก็ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมให้อภัยเขาก็จะไม่ให้อภัยอยู่ดีจะไปขออโหสิหรือไม่อโหสิก็ตามอันนี้ คือเรื่องของการอาโหสิแต่อาโหสินี้ไปรับไปล้างบาปที่เราทำไม่ได้บาปที่เราทำต่อไปเราจะต้องรับอาจจะต้องมีใครมาพูดแบบเดียวกับเราที่ไปพูดกับเขาต่อไปอเป็นการรับบาปไปอันนี้เราล้างไม่ได้แต่สิ่งที่เราล้างได้คือความโกรธเกรยียดของบุคคล น, นั้น เพราะบางคนถ้าพอเราไปขออาภัยเขาเขาก็เห็นใจเข้าใจเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ก็มันก็จบได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมให้อาภาัยก็ช่วยไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เรา ข้อสุดท้ายลูกเราจะตกนรกอย่างที่เราพูดออกไปไหมพราะเคยได้ยินว่าคําพูดพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่อยากให้ลูกตกนรกเนื่องจากคําพูดโมโ oh ห ok ของเราและตอนนี้รู้สึกละอายใจมากเลยค่ะอ๋อไม่เรนไม่ได้อยู่ที่คําพูดของใครอยู่ที่การกระทําของเขาเรานั่นแหละจะไปตกนรกเพราะเราไปโกรธเขาไปด่าเขาไปว่าเขาแต่เขาเพียงแต่เป็นผู้คนได้ยินได้ฟังของถ้าเขาไม่ได้ไปทํา ทำบาปทำกรรมไปด้วยความอาฆาตโ ก, กรธเกียดเขาก็ไม่ไปตกนรกหรอกการจะไปนี่มันอยู่ที่การกระทำของของเราของเขาเขาจะไปนรกเขาต้องมีการกระทำบาปเขาถึงจะไปได้การไปพูดว่าจะช่งให้เขาไปนรกก็ไปไม่ได้ช่งให้เขาไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้องั้นก็ช่งให้ไปนิพพานกันหมดเนี่ย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายไปนิพพานกันให้หมดนะสาธุ ไปได้ไหมไม่ได้เาะั้น <lime> คำพูดนี้มันไม่สามารถไปทำให้คนเป็นอะไรได้วาดเขาเป็นควายเ็าเป็นควายเขาเปล่าไม่เป็นควายใช่ไหม ว, วาเขาเป็นดอกสีทองนี้ก็เป็น <gamma> <cellphone> ดอกสีทองเขาเปล่าเขาก็ไม่เป็น น, นันไม่ได้อยู่ที่คำพูดมันอยู่ที่การกระทอหมดแล้วเหรอมีครับไป คำถามสกุลพีโกนกิเลสทั้งหลายในภพภูมิมนุษย์มีความอยากหล่อเลี้ยงเป็นอาหารใช่ไหมครับกิเลสก็คือความอยากมันต้องมีอะไรหล่อเลี้ยงกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆคือกิเลสที่มันหล่อเลี้ยงก็คือมันยิ่งยิ่งโลภมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งโลภต่อไปถ้าอยากจะมันหายโลภ ก, ก็ต้องหยุดโลภเวลาโลภ ก, ก็อย่าไปโลภ เ, เวลาอยากก็อย่าไปอยาก อย่ไปทําตามความโลภทําตามความอยากเหมือนคนสูบบุหรี่ถ้าอยากจะเลิกสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบทุกครั้งที่อยากสูบก็อย่าไปสูบเดี๋ยวไม่นานความอยากสูบบุหรี่มันก็จะหายไปหมดไปแต่ถ้าสูบมันก็เป็นหล่อเลี้ยงมันพอสูบมวลนี้แล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะสูบมวลที่สองจากมวลที่สองมันก็จะไปมวลที่สามต่อไปเรื่อยๆเป็นร้อยเป็นพันมวลคนะ่ะคําค่ะค่ะค่ะค่ะค่ ในแต่ระดับของพระอริยาผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้ว่าปฏิบัติอยู่ขั้นไหนใช่ไหมคะได้ะจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราเข้าใจถูกต้องคะอะก็ต้องพิสูจน์ว่าเป็นจริงก็เปล่าไม่กลัวตายจริงก็เปล่าวิธีรู้ก็ไปหาความตายหรือไปอยู่ที่ไหนที่มันน่ากลัวที่เราคิดว่าจะทําให้เราตายได้แล้วดูว่าใจเราเฉยหรือไม่เฉย เดินไปอยู่ป่าช้าดูไปอยู่ในป่าลึกคนเดียวมีเสียงเสือมีเสียงมีเสียงเสือร้องควรคางอะไรต่างๆนี้แล้วดูแล้วใจของเราจะรู้สึกอย่างไรจะรู้เองของนี้มันโกหกตัวเองไม่ได้ เ, เวลาเจ็บเราเจ็บใจเราเฉยได้เปล่าเจ็บปวดขนาดนั้นก็ไม่เดือดร้อนอถ้าเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็โอดควรคางขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ คำถามจากคุณแจ็กสันพระอริยเจ้าที่กลับลงมาเกิดในโลกอีกเช่นพระโสดาบันนี้จะสามารถทรงศีลเป็นปกติได้เลยตั้งแต่คลอดออกจากคเรยไหมครับเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่โกหกก็อย่างนั้น่ะละจิตนี้เขาไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดนฮะ ถามสักุณอาร์ตการปฏิบัติที่จะไปเจอตัวผู้รู้จะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ใช้สติดึงดึงใจออกจากร่างกายก่อนดึงใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกายโดยการใช้คําบริกรรมพุทโธหรือเพ่งดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะหยุดความคิดที่จะส่งใจออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ส่งออกไปมันก็จะกลับเข้าข้างในพอเข้าข้างในพอสงบปั๊บก็จะเห็นตัวรู้ขึ้นมา คำถามจากคุณเอ ก, กชัยกรรมที่มีเมียสองคนนี้เป็นแบบไหนครับหมายถึงต้องใช้ชีวิตด้วยกันความโลภเนี่ยได้หนึ่งไม่พอต้องเอาสองบางคนสองไม่พอมีเป็นร้อยก็มีนี่ยามความโลภได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอหมดแล้วแหละมีคําถามสุดท้ายจากคุณฟ็อค่ะผีมีจริงไหมครับผีก็คือเราคิดไปเองไง ผีจริงไม่หลอกผีหลอกผีผีหลอกไม่จริงผีหลอกก็คือใจเราคิดไปเองพอไปอยู่ที่ไหนมืดๆหน่อยพอได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็ไปลว่าผีมาแล้วอันนี้เรียกผีหลอกไม่ใช่ผีจริงผีจริงก็คือดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วเขาก็ไปอยู่ในสภาพต่างๆถ้าเรามีพลังจิตเราก็สามารถติดต่อกับเขาได้ อย่างที่เมื่อกี้ที่เขาถามเรื่องประวัติหลวงปูมงป่มัน่นหลวงปู่มั่นท่านมีพลังจิตท่านนั่งสามารถมีมีพลังที่จะรับติดต่อกับจิตต่างๆที่ตายไปแล้วได้ดงวงวิญญาณต่างๆดงวงวิญญาณเหล่านี้เราก็เรียกว่าผีนี่แหละผีจริงแต่ผีจริงเขาไม่มาหลอกเราหรอกเขาไม่มีเวลามาหลอกเราเขาต้องไปตามบุญตามอำนาจของบุญของบาปะ นอกจากถ้าเขาห่วงเราคิดถึงเราเขาอาจจะมาหาเราก็ได้เข้าฝันเราก็ได้เวลานอนหลับนี่ก็เหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกทิพย์พอเราอยู่ในโลกทิพย์เขาก็จะติดต่อกับเราได้อ mm hmm. เขาก็จะฝันถึงเราก็เราก็จะฝันถึงเขาฝันว่าเขา้ามาเยี่ยมมาหาเรามาคุยกับเราอะไรต่างๆเหล่านี้แต่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์เดี๋เพราะว่าเราอาจจะฝันคิดถึงเขาไปเองก็ได้ หรือเขาเข้ามาหาเราจริงๆก็ได้อันนี้เราไม่รู้ต้องลองหาหาหาวิธีพิสูจน์ให้เขาบอกอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนแลนะให้เราไปค้นดูว่าสิ่งที่เขาบอกเป็นจริงหรือไม่เช่นเขาลืมกุญแจไว้ในตู้ตรงไหนเขาซ่อนกุญแจไว้ในซอกฝาผนังตรงไหน เขาบอกแล้วเราลองไปค้นดูเวลาตื่นขึ้นมาไปค้นดูแล้วก็ไปเจอของที่เขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นของจริงเพราะเราไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ตรงนี้ต้องให้เขาบอกเราแต่ถ้าเราฝันไปแล้วเราคิดไปเองพอตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรมาพิสูจน์ได้เราก็ต้องอย่าไปถือว่าเขามาต้องให้มันพิสูจน์ได้จริงๆก่อนถึงจะถึงจะเชื่อว่าเขามาได้